ท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาแต่สนใจในธรรมะเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งพูดกันกลางดิน <c oughs> ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษคือ พระพุทธเจ้านะท่านประสูตรกลางดินพระพุทธเจ้าท่านรตรัสรู้กลางดินอท่านก็สอนกลางดินอยู่กลางดินที่อยู่กลางดินแล้วก็ น, นิพพานกลางดินเราจึงถือว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ที่ อาศัยที่ทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเขาให้มีความสนใจในข้อนี้ด้วยการอยู่บนตึกบนอาคารราคาแพงือเรียนในมหาวิทยาลัยตึกราคาแพง ไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าศาสน า, า, าทุกองค์ของทุกศาสนาก็ว่าได้ <c oughs> น่วนแต่ <c oughs> อยู่กลางดินนับตั้งแต่เกิดกลางดิ น, นตายกลางดินอย่างที่ว่ามาแล้วมันขอให้มีจิตใจ ชนิดที่ค่ารูปกันได้กับแผ่นดิน <c oughs> และจิตใจของท่านทั้งหลายก็จะเหมาะที่จะฟังธรรมะนั่นแหละเข้าใจธรรมะ <c oughs> ถ้าจิตใจมันบินเฮเร่ร่อนไปสวรรค์วิมานไปอยู่แล้วก็ <c oughs> ยากมา ก, กที่จะเข้าใจธรรมะ <c oughs> ขอให้ถือเป็น สิ่งพิเศษที่ได้ประสบแล้วก็จําไหวจดจําไหวในใจตลอดไปถึงการที่ได้มันนั่งกลางดินที่นี่และวันนี้เอามือรูปดินในฐานะเป็นสิ่งสูงสุด อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธองค์นั้นทรงประสูตยกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดิน <c oughs> และให้มองเห็นอีกแง่หนึ่งว่าดิ น, นเป็นที่ตั้งของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้เป็ น, นวัตถุสิ่งของก็ล้วนแต่ตั้งอยู่บนพื้นดิน แผนดินเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงมีความหมายเหมือนกับธรรมะซึ่งเป็นที่รองรับแห่งสิ่งทั้งปวงแผนดินมีความหมายเหมือนกับธรรม ะ, ะซึ่งควรจะกำหนดไว้ด้วยเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงธรรมะ <c oughs> หมายถึง สิ่งซึ่งเป็นรากฐานอของสิ่งทั้งปวงเกิดมาจากธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยเป็นปลายตามธรรมชาติในที่สุดมันก็แตกดับไปตามธรรมชาติจึงๆถือว่าแผ่นดินนี่เป็นเหมือนกับธรรมะธรรมะเหมือนกับแผ่นดินในฐานะที่เป็นที่ตั้งที่รองรับที่เกิดที่ดับแห่งสิ่งทั้งปวง เอาละที่นี้เราก็จะพูดกันถึงหัวข้อที่ท่านทั้งหลายขอร้องคือหัวข้อที่ว่าการงาน <c oughs> คืออะไรจะทำงานให้สนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไรหัวข้อนี้ดีมากหรือดีที่สุดที่จะต้องพูดกัน ในฐานะพื้นฐานทั่วไปสำหรับทุกคนและก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่ <c oughs> และก็อธิบายให้ชัดเจนให้ละเอียดให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าจะมีความสุขในการงานได้อย่างไร สิ่งแรกที่สุดที่จะต้องทราบก็คือการงานนั่นคืออะไรกันเสีก่อนการงานมีความหมายกว้างที่ทำกันในทางโลกโลกทางชาวบ้านก็ทำการงานโดยเฉพาะก็คืออาชีพนี่ก็เรียกว่าการงาน ที่จูบันชิตก็ทํากรรมมัฐานซึ่งแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานก็ทําการงานแปลว่าทั้งคาราวาสและทั้งบันพชิตจะเลื่อนแต่ทําการงานนี่ไปดูที่ตรงนั่นก่อนถ้าไม่เข้าใจก็ดูต่อไปให้ว่า <c oughs> มันมันหมายถึงอะไร <c oughs> มันก็หมายถึงสิ่งที่ต้องทําคิดดู การงานมันแปลว่าสิ่งที่ต้องทําหรือควรจะทำหรือระบุได้เลยว่าต้องทําถ้าไม่ทําการงานมันก็คือตายไม่ทําการงานอยู่เฉยๆเท่านั้นแหละมันก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วมันก็ต้องตาย ที่เราต้องทำการงานการเคลื่อนไหวการบริหารกายการทำการงานหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตนี่ก็เรียกว่าการงานทีนี้ก็เห็นได้ว่าการงานนั่นคือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำนั่นเรียกว่าหน้าที่หน้าที่จำคำว่าหน้าที่หน้าที่ไว้ดี ถ้าเข้าใจคําว่าหน้าที่แล้วจะเข้าใจสูงขึ้นไปถึงคําว่าธรรมะธรรมะคุณอาจจะไม่เคยร่าเรียนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าคําว่าธรรมะธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่ <c oughs> เพราะว่าในโรงเรียนในหนังสือเรียนจะ พูดกันแต่ว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้มันไม่พอมันไม่ถูกด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราธรรมะธรรมะนี่เขาพูดกันเขามีกันเขาใช้กันอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคําว่าธรรมะธรรมะนี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเข้าหมายถึงหน้าที่หน้าที่นี่คือธรรมะ คือพอ่อมนุษย์ค้นจากความเป็นป่าเถื่อนค้นจากความเป็นคนป่ามาพอสมควรแล้วก็มีมนุษย์ที่สังเกตเห็นว่าเออมันมีมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ที่ต้องทำนะันเขาเรียกสิ่งนั้นโดยภาษาของเขาสมัยนั้นว่าธรรมะจึงเป็นคำโบราณเก่าแก่ดึกดำบรรพที่สุดธรรมะธรรมะธรรมะ แปลว่าหน้าที่เมื่อคนมันเล็งเห็นในหน้าที่หรือความจาเป็นของหน้าที่อะไรมันก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะธรรมะนันให้รู้กันเซไว้ทีก่อนว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่มันก็พูดกันเรื่องหน้าที่พูดกันเรื่องหน้าที่อคําพูดนี้มากขึ้น <laughs> มากขึ้นจนเป็นระบบคำซ้อนเป็นหระบบไปเียกว่าธรรมะไปว่าหน้าที่ แต่มันไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคำธรรมะมันก็มากขึ้นดีขึ้นและสูงขึ้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกท่านก็สอนเรื่องหน้าที่คือธรรมะเนี่ยสูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือบรรลุมาผลนิพพานคอยเข้าใจความหมายคาว่าหน้าที่หน้าที่คือคาว่าธรรมะ อาธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่มันก็มีใจว่าอคําสอนเรื่องหน้าที่ตามแบบสำนักนั่นตามแบบสำนักนี่ตามแบบสำนักโน้นซึ่งมีอยู่หลายหลายสำนักท่านเขาจึงระบุว่าชอบธรรมะของใครชอบธรรมะของพระสมณโกดมหรือชอบธรรมะของราษดาชื่อไร ทุกศาสดาร้วนแต่สอนเรื่องหน้าที่แต่ท่านสอนกันเฉพาะในระดับสูงไม่มาไ ม, ไ, มไม่ลดลงมาถึงระดับต่ำเช่นทำนาทำไร่นั้นสิ่งที่เราได้ยินว่าธรรมเรียกเรียกว่าธรรมธรรมะนั่นจึงได้ยินพูดกันแต่เรื่องระดับสูงไปสวรรค์อาวั น, นลูกมะขุนนิพพานทั้งนั้น แต่จริ ง, งธรรมะระดับต่ำทรรมไรธรรมนาของชาวไราชาวนานี่เขาก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันคือธรรมะของคาราวาทธรรมะของชาวไรธรรมะของชาวนาแล้วแต่ว่าเป็นหน้าที่อชนิดไหนกับธรรมะชนิดนั้นที่เป็นชั้นสูงก็เรียกว่ากรร ม, มฐานเท่ากับ บรนทัดชิดแล้วก็ปิกสุสามเณรทากรรมมรรคก็คือทําการงานหรือทาหน้าที่จึงเห็นในชาติว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ทีนี้ดูกันต่อไปจากคําว่าหน้าที่คําว่าหน้าที่ก็คืออืมสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตทุกชนิดและทุกระดับ ชีวิตระดับสูงอย่าเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในรัชชานก็ทั้งเป็นต้นไม้ต้นล่ายอย่างนี้มันมีชีวิตทังนั้นถ้ามันมีชีวิตมันก็ต้องมีหน้าที่แล้วมันก็ต้องทำหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่มันก็ตายลองคนไม่ทำหน้าที่มันก็ตายไม่เคลื่อนไหวไม่บริหารกายไม่กินอาหารไม่อะไรต่างมันก็ตายสัตว์ก็เหมือนกัน สิงเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยหน้าที่ด้วยการทําหน้าที่หน้าที่จําึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสิ่งที่มีชีวิตไอ ห, หน้าที่ก็คือธรรมะอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่จําเป็นสําหรับสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองเราต้องมองเห็นในความสําคัญความสูงสุดกระเสริรที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ แล้วก็ชอบหน้าที่บูชาหน้าที่จึงชอบการงานชอบทําการงานเช่นการงานเป็นสิ่งสูงสุดไม่เหมือนกับคนโง่ทั้งหลายที่ไม่ชอบทําหน้าที่อย่างอุดมคติของคนวางพวกว่าไม่ต้องทํางานแต่ต้องได้เงินต้องการเงินต้องได้เงินนี่ก็มีอยู่พวกนั้นอย่าไปออกชื่อก็เลยอคติชนิดนั้นก็มีอยู่ในโลกนี่อ่ะไม่ต้องทําการงานน่ ก็ต้องการเงินแล้วก็ต่อสู้อย่างชิงเพื่อให้ได้เงินโดยไม่ต้องทําการงานหรือทําการงานแต่น้อยที่สุดมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างไอ้จนกับมาชีพในายทุนพวกหนึ่งต้องการทํางานน้อยที่สุดเอาเงินมากที่สุดนี่เพาเขาไม่ไม่มองเห็นอย่างเรามองเห็นว่าไอ้หน้าที่มันเป็นสิ่งสูงสุดสําหรับมนุษย์เขาให้ทําให้เต็มที่ทําให้สุดวิเยงสุดความสามารถ น้ำปัญหามันก็จะหมดมนี่จะไม่เกิดการต่อต้านทีดนี้กันให้ลำบากกันไปทั้งโลก <c oughs> เราก็จะอยู่ในพวกที่ไม่ชอบทํางานไม่บูชาการงานด้วยก็ได้เพราะาเราก็ยังโง่อยู่ไม่รู้ว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เราอยากทำงานแต่น้อยเราไปทำงานซ้ายแล้วเรากลับบ้านเร็วนี่นั่นคือคนที่ไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไร ถ้ารู้ว่าหน้าที่คือสิ่งสูงสุดประเสริฐที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็พอใจก็กทำอันนั้นนจจะเป็นเหตุให้ทำการงานสนุกเดี๋ยวนี้อยากจะพูดไปในความหมายของหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จำเป็นของสิ่งที่มีชีวิตผลของมันคือความรอดดูที่หน้าที่แล้วก็ดูผลของหน้าที่ก็คือความรอด ช่วยจ้ามคำว่าความรอดรอดเนใดี่ยว้าดีๆทุกศาสนาทุกศาสนาในโลกนะก็จะมีจุดหมายปลายทางเรียกรงเหมือนกันหมดว่าความรอดความรอดจนพูดได้ว่ามีความรอดตามแบบพุทธศาสนามีความรอดตามแบบคริสตศาสนาศาสนาอิสลามพรามฮินดูซิกอะไรก็สุสดแท้ต้นแต่มุ่งที่ความรอดความรอดเดีกันทั้งนั้น เนข้อที่ศาสนามันเหมือนกันหรืตรงกันก็คือสอนหน้าที่เพื่อความรอดด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราถือพุทธศาสนาก็มีแบบหน้าที่ตามแบบพุทธศาสนามีความรอดตามแบบพุทธศาสนาดับทุกข์สิ้นเชิงตามแบบของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่พ้นที่จะเรียกว่าความรอดความรอดความดุดพ้น ส่วนโมกนี่ก็เอาคํำนี้มาใช้เป็นชื่อโมกขะโมกแปลว่ารอดหลุดพ้นนในความรอดนั่นก็มีสองระดับระดับทั่วไปเป็นความรอดทางร่างกายรอดทางร่างกายระดับสูงขึ้นมาคือความรอดทาง จ, จิตใจรอดทางร่างกายก็คือไม่ตายแล้วก็สาบายร่างกายอยู่ในสภาพที่ดี รอดทางกายมีเท่านี้คือไม่ตายแล้วอยู่ในสภาพที่ดีเท่านี้มันไม่พอมันมีจิตใจส่วนหนึ่งมันยังมีปัญหาถูกกลุ่มรุมด้วยความทุกข์ด้วยกิเลสด้วยกรรมด้วยในต่างๆต้องรอดทางจิตใจอีกชั้นหนึ่งด้วยรอดชั้นที่สองคือรอดทางจิตใจรอดทางจิตใจแล้วก็จิตใจก็พ้นจาก้ความทุกข์ทั้งพวงในทางจิตใจ นี่เป็นความรอดที่ศาสนาทุกศาสนามุ่งห ม, มายในของพุทธศาสนาก็ไปจนถึงบรรลุ น, นิพพานพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากปัญหาทุกชนิดมีความรอดสูงสุดอยู่ที่นี่รวมความแล้วความรอดมีอยู่สองความหมายคือรอดทางกายหรือรอดทาง จ, จิตใจและความรอดนี้เป็นผลของหน้าที่ของการทำหน้าที่หรือการทำการงานนั่นเอง ดังนั้นเรามองดูทีเดียวตลอดว่าการงานก็คือสิ่งที่ทาให้เกิดความรอดทั้งทางกายและทางจิตเราต้องทำการงานทั้งทางกายและทางจิตจึงจะรอดทั้งสองทางเดีย๋ยวนี้คนชาวบ้านธรรมดารู้จักแต่รอดทางกายเขาก็ทำกันแต่รอดทางกายและทำกันจนเฟอ้อจนกลายเป็นผิดเป็นเสียคือมันกลืนรอดไปเสีย แทนที่จะเป็นรอดทางกายมันกลายเป็นพ er ุ่มเฟือย์พุ่งเฟ้อทางกายจนเงินเดือนไม่พอใช้เนี่มันเกินเกินเกินความรอดกันใช่อีกมันเกินความหมายของคำว่าความรอดมันกลายเป็นบุมรุงบําเรอพุ่งเฟ้อแก่ทางร่างกายก็เลยกลายเป็นธาตุเป็นธาตุทางร่างกายเป็นธาตุของร่างกายเป็นธาตุของกิเลสแทนที่จะเป็นความรอดมันกลายเป็นธาตุ เป็นความติดติดคุกติดตารางของกิเลสนั่นน่ะต้องยาไปเข้ายผิดว่าเป็นบำรุงบำเรอทางร่างกายอย่างที่เขาทำกันแล้วมันก็จะรอดหรือมันจะดีคิดดู <c oughs> คนที่ลงไหลเรื่องความสุขทางเนื้อหนังก็ไปติดคุกติดตารางเป็นทาสของร่างกายทั้งนั้นนะตั้งหามาบำรุงร่างกายเกินพอดีอย่างที่เรามีมีกันอยู่ในบ้านในเรือน มีสิ่งที่ไม่จำเป็นเยอะแยะไปหมดนมันคือความโง่ไปหามาเพื่อบำรุงบำเรอทางกายแล้วมันก็เกินความรอดทางกายกลายเป็นความฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยในทางกายเกิได้เป็นธาตุเรื่องมันก็จบกันแ่ะถ้าทางกายมันก็ยังผิดแล้วไอทางจิตมันก็ผิดเดี๋ยวนี้เราต้องทําให้ ร่างกายอยู่สบายเหมาะสมที่จะทำการงานมีสุขภาพดีก็พอแล้ว <c oughs> ที่นี่เวลาเรียวแรงิทรับสมบัติที่เหลือจากนั้นก็ค้นขวายเพื่อทำความรอดในทางจิตใจต่อไปจึงศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าทำการงานทั้งทางกายและทางใจ มันต้องทำให้ถูกต้องให้พอดีหรือให้เหมาะสมนันแต่ถ้าทำด้วยความไม่อยากทำไม่ทำาก็ไม่ทาดีกว่าไปทำงานก็สายกลับมาก็โกงเวลานี่เรียกว่าคนไม่ไม่สื่อตรงคนไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องหน้าที่การงานว่าคืออะไรไม่บูชาการงาน คนอย่างนี้แห่มันน่าละอายสัต์เดรัจฉานซึ่งมันไม่เคยโกงเวลาไม่เคยโกงหน้าที่สัต์เดรัจฉานคนเนี่ยตัวโกงเวลาโกงหน้าที่การงานแม้ที่เป็นของตนเองก็ยังโกงคือขี้เกียจที่เป็นราชการแล้วยิ่งไรโกงกันใหญ่เลยถ้อยากจะให้คิดถึงเรื่องต้นไม้ตันลมเนี่มันมีชีวิตเหมือนกัน แมันก็ต้องทําการงานเหมือนกันนะแห่งตาที่เราเรียนเรียนกันมานี่คือว่าตอนม่ายนี่เวลากลางวันอะ่ะมันคายแก๊สออกซิเจนลกลางคืนอะ่ะมันคายแก๊สที่ตรงกันข้ามคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็แปลว่ามันทํางานทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่อย่างนั้นจะแก๊สออเซิยนไหนมาคายได้ตลอดวันจะเอาแก๊สคาร์บอนไดออไซด์ไหนมาคายได้ตลอดคืนแล้วตอนไม้ทำงาน24ชั่วโมงแล้วเทียบกับคนทำงาน8ชั่วโมงก็ยังโกงเวลาเนี่ยครจะละอายมันบ้างาคือว่าทำงานให้ เต็มให้บริบูรณ์ตามหน้าที่ตามความหมายตามคุณค่าของการงานทีนี้อยากจะขอเตือนกันเป็นข้อแรกว่าจะต้องทำการงานให้เหมาะสมกับสถานะของตน <c oughs> เป็นมนุษย์ทำการงานถ้าเป็นเทวดาถ้ามีเทวดาก็ต้องทำหน้าที่ของเทวดามอนกันนะสัตว์เดรัจฉานทำหน้าที่สัตว์เดรัจฉานแ ต้นไม้ทำหน้าที่ต้นไม้แต่เป็นหน้าที่ที่ถูกต้องอคือหน้าที่เพื่อความรอดหน้าที่เพื่อคดโกงเพื่อกิเลสนั่นไม่ใช่หน้าที่เช่นคนอันตราพรานก็จะพูดว่าฉันมีหน้าที่ปล้นจี้ขโมยเอฉันมีหน้าที่อย่างนี้นั่นมันไม่ถูกหน้าที่อย่างนั้นมันไ ม, ไม่ใช่เพื่อความรอด มันเพื่อสร้างปัญหาเพื่อสร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่เขอให้เข้าใจเสมอว่าคําว่าหน้าที่นั้นต้องถูกต้องทีนี้คําว่าถูกต้องตามภาษาธรรมะนั่นคือเกิดประโยชน์แก่ทุกคนไม่เป็นโทษแก่ผู้ใดไม่เป็นโทษแก่ผู้ใดและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนั่นเรียกว่าถูกต้องนั่นคำว่าหน้าที่หน้าที่นี่จึงหมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้อง ไม่เป็นอันตรายแก่ใครแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนคอยเราทุกคนยึดหน้าที่ที่ถูกต้องมีหลักยึดหน้าที่ที่ถูกต้องหาแก่ความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเรียกว่ามีหน้าที่อย่างมนุษย์มีธรรมะอย่างมนุษย์เนี่การงานคือสิ่งนี้ นี่ในความหมายแรกที่จะต้องพูดการงานก็คือสิ่งนี้การงานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจําเป็นสําหรับสิ่งที่มีชีวิตทําแล้วเกิดความรอดอทั้งทางกายและทางจิตนั่นคือการงาน <c oughs> เป็นฆราวาสก็อยู่ในระดับฆราวาสเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็สูงขึ้นไปถึงระดับบรรพชิต แต่ก็เรียกว่าการงานทั้งนั้นมันบรรพชิตก็ทําการงานตามหน้าที่ของตนเช่นที่เรียกว่าทํากรร ม, มฐานทํากรร ม, มฐานนี่คือตัวการงานสูงสุดกรร ม, มะปละว่าการงานฐานแปลว่าที่ตั้งกรร ม, มฐานคือที่ตั้งการงานหมายถึงว่าการงานที่มันแน่นอนแน่นแฟนประเสริฐสูงสุดเราเป็ น, นว่าทํากันทั้งบรรขารวาสเลยบรรพชิตนี่คือการงาน สรุปเป็นสารการงานคือหน้าที่อของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและเรียกโดยภาษาบูรบุโบราณเก่าแก่ว่าธรรมธรรมธรรมะหรือธรรมนั่นธรรมนั่นแหละว่าหน้าที่การงานก็คือธรรมะนั่นเองสรุปแล้วการงานคือธรรมะทุกระดับ <c oughs> การงานก็มีจึงมีหลายระดับธรรมะก็จึงมีหลายระดับ ตามความหมายเดียวกันอา้าทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่สองที่ว่าเราจะสนุกเป็นสุขในการทํางานได้อย่างไรนี่มันตอบอยู่ในตัวแล้วนะถ้าเราเห็นแจ้งในใจว่าไอการงานคือธรรมะการงานคือธรรมะธรรมะคือการงานอย่างโง่เหมือนที่เคยโง่มาแต่ก่อน ธรรมะไม่รู้อะไรต้องไปทํากันที่วัดไปงุกงีงลงกันอยู่ที่วัดไปสวดมนต์ภาวนากันอยู่ที่วัดไม่ได้หมายถึงหน้าที่การงานอที่ทําอยู่ทุกวันนั่นมันเข้าใจผิดการงานทุก jenis ทุกระดับเป็นธรรมะเสมอกันทำนาทําสวนอยู่ก็เป็นธรรมะของชาวนาชาวสวนค้าขายอยู่ก็เป็นธรรมะของคนค้าขายทําราชการอยู่ก็เป็นธรรมะของข้าราชการเป็นกรรมกร ทำงานอยู่ก็เป็นธรรมะของกรรมกรการตั้งนั่งขอทานอยู่ก็เป็นธรรมะสำหรับคนขอทานขอทำไปดีเถอะธรรมะจะช่วยให้หลุดพ้นจากสภาพอย่างนั้นทำหน้าที่ขอทานดีๆไม่เท่าไั้นก็พ้นจากสภาพขอทานไปเป็นอย่างอื่นได้ชาวนาชาวสวนทำ ง, งานหนักอยู่ทำให้ดีๆมันจะพ้นสภาพจากความหนักความเหนื่อย พ้นสภาพจากความเป็นชาวนาชาวสวนกลายเป็นผู้มีมัง่งที่ผู้มีเงินผู้มั่งมีได้เหมือนกันนั้นเรารู้เสียก่อนที่ว่าไอการงานนีคือธรรมะเราจะเห็นโดยตนเองว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือมันช่วยให้พ้นจากความตำ่ำไม่ตกต่ำแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป จนพ้นจากความทุกข์หรือปัญหาทั้งปวงเนี่ยเมื่อรู้ว่าการงานคือธรรม ะ, ะคนก็รักการงานบูชาการงานอยากจะทํางานเนี่ยเพราะอย่างนี้จึงทํางานสนุกเพราะรู้สึกว่าการงานคือสิ่งสูงสุดของมนุษย์ แห้วก็ทําแล้วก็พอใจว่าได้ทําสิ่งที่สูงสุดประเสิดที่สุดมีเกียรติที่สุดของมนุษย์มันก็สนุกสิที่เราทําไม่สนุกเนี่ยเพราะเราไม่มองเห็นในความประเสริฐของการงานเราฟื้นใจทำเพราะเหงื่อออกมากโกรธโมโหโทโสนี่มันคนโง่ถ้าคนฉลาดทํางานพระเหงื่อออกมาก็บอกว่าเป็นน้ำำําอมฤตมาอาบรดเราให้เยือกเย็น เงื่อนกลายเป็นน้ำมนต์ที่เยือกเย็นมารดให้พอใจในการงานเขาก็ทำงานสนุกเงื่อออกมากเท่าไหร่ยิ่งพอใจนี่เด็กโง่จะเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> เพราะเขาไม่รู้ความหมายคาว่าสนุกที่ถูกต้องตามแบบของธรรม ะ, ะคือหน้าที่ของมนุษย์ถ้าพอใจแล้วมันก็สนุกเน่ถ้าพอใจแล้วมันก็สนุกลแล้ว ในการงานก็กลายเป็นของชวนให้ทำเหมือนกับการเล่นไปเลยเราเล่นหัวสนุกสนานอย่างไรคนที่มันรู้จักธรรมะว่าคือหน้าที่การงานแล้วมันก็ทำงานทั้งหลายสนุกไปอย่างนั้นแค่คนบางคนทำงานสนุกก็เห็นแก่เงินนั่นมันก็ได้เหมือนกันก็สนุก พาะกงา ร, ร, รทำงานสนุกก็เพราะเห็นแก่เงินนั่นยังไม่ดีเท่าเท่าไรถ้าใครทำงานาเขารู้สึกว่า ง, งานคือหน้าที่งานคือธรรมะงานคือเกียรติยศของมนุษย์งานคือสิ่งประเสริฐสำหรับมนุษย์รู้สึกในใจอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำงานสนุกงานนั่นก็จะเป็นการเล่นสนุกเหมือนเล่นกีฬาไปก็ได้นี่จะทางานสนุก เราะมองเห็นว่า ง, งานนั่นคือธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตยอย่าลืมในข้อนี้เสียแล้วก็พอใจความพอใจเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ลึกลับอันหนึง่งคือความพอใจนั่นจะทำให้เกิดความสุขถ้าไม่พอใจแล้วไม่มีทางที่จะเกิดความสุข ถ้าพอใจอย่างเลวพอใจอย่างผิดพอใจอย่างโง่อย่างต่ำมันก็เป็นความสุขอย่างเลวอย่างโง่อย่างต่ำตามไปตามความพอใจถ้าความพอใจนะั้นมันถูกต้องมันสูงมันประเสริฐก็ให้เกิดความสุขชนิดที่สูงที่ประเสริฐมันจึงแล้วแต่ความพอใจนั่นเป็นอย่างไรพอใจระดับไหน พอใจระดับสูงสุดกรเพรู้สึกธรรมะอยู่ในใจก็พอใจระดับสูงสุดก็เกิดความสุขระดับสูงสุดมีความพอใจเป็นเหตุให้เกิดความสุขมีอยู่เป็นระดับระดับหรือชนิดถ้าพอใจผิดความสุขก็ผิดเ ป, เป็นความสุขโลลง่เป็นความสุขหลอกลวงเช่นจะไปชอบบายามุกดื่มน้ำมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นไพ่ชอบใจบายามุกพอใจอบายามุกมันก็ได้ความสุขช น, นิดหลอก ล, อลวงมาก ไม่เท่าไรก็ฆ่าทำลายบุคคลนั่นเองนี่พอใจในหน้าที่ที่ถูกต้องหรือธรรมะมันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดผลอย่างนั้นมันเกิดผลในทางความถูกต้องความสุขความเจริญก็เจริญอยู่ได้แต่ความพอใจชนิด น, นี้ไม่ให้โทษมันก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าทาให้เกิดความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานเนี่ยลรจะต้อง เอรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการงานแล้วรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความพอใจในการงานแล้วก็จะรู้สึกไอความสุขที่เกิดมาจากความพอใจดังนั้น ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรมธรมะธรรมะเนี่ยกันเสกกรกนสิ่งอื่นใดทั้งหมดว่าธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกช น, นิดทุกระดับเราเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมก็ได้แล้วก็พอใจในความหมายของคาว่าธรรมะหรือพระธรมะ ร, ร, ะธรมก็เป็นสิ่งสูงสุดนั่นเอง นังขอให้ทุกคนมีจิตใจแจ่มแจ้งสูงขึ้นมาถึงขั้นนี้ถึงขั้นที่จะทําให้พอใจในหน้าที่การงานถ้นพอใจมันก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขมันก็ทําสนุกไปเมื่อไหลายใครย้อยมันก็ยิ่งเห็นเป็นน้ําเย็นเป็นน้ำมนต์เป็นสิ่งที่มีค่าอมาทําให้เกิดอความสําเร็จสงูงยิ่งขึ้นไป ดีกว่าไปรดน้ำมนต์ที่เขาไปรดถๆรถรถกันทำไมไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นอนอกจากรอกให้สบายใจพักหนึ่งถ้าน้ำมนต์คือเงื่อที่ออกมาจากการทาหน้าที่ข้้งตอนอย่างถูกต้องนี่น้ำมนต์นี่ช่วยได้ช่วยได้ตลอดไปเลยจนถึงบรรลุผลชั้นสูงสุดนี่แ้ละที่เรียกว่ามันจะเป็นสุขหรือสนุก ในหน้าที่การงานได้เนะี่ยเพราะเหตุที่รู้ว่าในการงานนะั่นคือหน้าที่หรือธรรมะหรือสิ่งจําเป็นสําหรับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดและทุกระดับทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้หรือแม้กระทั่งต้นไม้นมันมีหน้าที่หน้าที่หน้าที่ถ้าทําหน้าที่ทําหน้าที่ทําหน้าที่นั่นนะคือธรรมะธรรมะธรรมะอยู่ที่การทําหน้าที่ เมื่อทําหน้าที่อยู่ออย่างว่าทําหน้าที่เป็นข้าราชการอยู่ที่ออฟฟิศมันก็รู้สึกพอใจทุกขั้นตอนของหน้าที่เป็นสุขอยู่ทุกเวลาที่ทําหน้าที่แล้วก็ทําให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในความสุขมันก็สูงขึ้นเพิ่มขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะถึงที่สุดทึ่ขอให้ มองเห็นไอ้ความสุขชนิดที่แท้จริงที่หาได้จากการทําการงานเอาละทีนี้เราก็มาถึงคำว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันหมายถึงมีความสุขที่หลอกลวงความสุขที่หลอกลวงของกิเลสของความโง่ถ้ามีความโง่ก็ต้งไปหลงเอาของที่ ไม่ใช่ความสุขมาเป็นความสุขเสมอเขาเรียกกันมาแต่โบราณว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวมีอยู่เป็นอันมากนะคนที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วก็วินาศทุกคนเลยแต่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขมาเป็นความสุขก็ลุ่มหลงหนักข้าวหนักข้าวมันก็เป็นเหยื่อของไอ้กิเลสตัณหาเหล่านั้นจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นข้าราชการก็ต้องคดโค้งต้องคอรับชั้น ไม่เท่าไรก็ต้องได้รับผลของการโกดกง น, นี่ก็เรียกว่าเห็นกงจักขึ้นดอกบัวอย่างนี้ทีนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นรู้จักว่าการงานนี่คือธรรมะสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรรมะนะที่เราก็พอใจเคารพธรรมะ มันก็เป็นในความพอใจที่บริสุทธิ์มันจึงเป็นความสุขที่บริสุทธิ์คือความสุขที่แท้จริงอย่าเอาไปเปรียบกับไอ้ความสุขในสถานเริงรมกินเหล้าเมายาความสุขทางสถานเริงรมนั่นมันไม่ใช่ความสุขในทางธรรมะเขาเรียกว่าความเพลิดเพลินคําว่าความเพลิดเพลินนั้นเป็นคนละอย่างกับความสุขให้ความสุข นี่นมันชวนไปในทางที่สงบเย็นแความเพลิดเพลินมันก็ชวนไปในทางหลงไลหลตระเลิดเปิดเปิงในที่สุดก็ไปสู่ความร้อน <c oughs> ความสุขที่แท้จริงต้องมาจากความพอใจที่แท้จริงความพอใจที่แท้จริงก็ต้องมาจากการทำหน้าที่ที่ถูกต้องและแท้จริงนันก็เลือกสรรหน้าทีถ่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ทำทาอย่างถูกต้อง การไรับความพอใจอย่างถูกต้องก็มีความสุขอย่างถูกต้องมันละแท้จริงมันคือมันไม่ไม่ทาอันตรายใครมันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและทุกคนนี่เรียกว่าถูกต้องันที่จะถูกต้องแล้วก็พอใจอย่านเราต้องมีสติสติกาหนดไอละเอียดตัวถึงว่ามันถูกต้องมันถูกต้องอย่างนี้คือถูกต้องทำงานนี่ถูกต้อง ว่าถูกต้องก็พอใจจำคำสองคำว่าถูกต้องและพอใจต้องทําให้มันเกิดอยู่เสมอถูกต้องและพอใจลุกขึ้นไปทํางานสิ่งนี้ <c oughs> ก็ต้องโ ด, ย, ดยความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วควรทําแล้วอทําทําเสร็จแล้วถูกต้องแล้วก็พอใจไปเสียทุกอย่างทุกชนิดของหน้าที่การงาน แม้แต่จะกลับบ้านก็ถูกต้องและพอใจมากินอาหารก็ถูกต้องและพอใจเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ต้องกินอาหารอย่างถูกต้องถ้ากินไม่ถูกต้องมันเป็นโทษเราต้องกินมันถูกต้องแล้วก็พอใจไปอาบน้ำก็ถูกต้องและพอใจทายวจาระถ่ายภาษาว่ะก็ต้องด้วยสติทำให้ถูกต้องและพอใจจะกวาด บ, บ้านถูบ้าน ล้างจานบ้างทจะทัดนะจะช่วยทําก็ถูกต้องและพอใจนี่อย่างนี้ไปล้างจานไปช่วยแม่ครัวล้างจานเอาก็ถูกต้องและพอใจถ้ามันมีคำว่าถูกต้องและพอใจเกิดขึ้นแล้วเป็นความสุขที่ถูกต้องที่ควรจะพอใจแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นความสุขสรุปความได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั่นมันมาจากความ การทําการงานที่ถูกต้องและแท้จริงมันจงทํา ก, การงานให้ถูกต้องและให้แท้จริงทุกการงานที่ทําตื่นขึ้นมาทําอะไรไล่ไปดูตื่นขึ้นมารู้สึกโอ้ถูกต้องแล้วนอนคืนหนึ่งนี่ถูกต้องแล้วพักผ่อนถูกต้องแล้วก็พอใจไปล้างหน้าก็มีสติโอ้มันถูกต้องแล้วที่ต้องล้างหน้าแล้วก็พอใจไปห้องน้ําำก็ทุกอย่างในห้องน้ำก็ถูกต้องและพอใจ ไปรับประทานอาหารทุกอย่างถูกต้องและพอใจเตรียมตัวไปทำงานถูกต้องและพอใจเดินทางไปทำงานถ้าต้องเดินไปโดยเท้าก็ทุกขีก้าวนถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจทุกก้าวเท้าที่ยานทางานถ้าไปโดยยานพาหนะก็ถูกต้องและพอใจไปถึงออฟฟิศแล้วก็ลงมาทำงานก็ถูกต้องและพอใจนี่อยู่ดนความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจจนกว่าจะหลับ จนกว่าจะถึงเวลาข่ามพักผ่อนและนอนหลับ้าก่อนจะนอนหลับก็มาให้คนดูว่าอู้ทั้งเช้าตั้งแต่เช้ามาจนวัดนี้ก็ถูกต้องและพอใจแเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ขอาบอกให้ทุกคนที่ไม่เคยรู้ว่าสวรรค์ที่แท้จริงก็่คือเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ มองเห็นแต่ความถูกต้องของตนเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่สวรรค์หลอกๆอย่างที่เขาหลอกให้หลงให้เมาสวรรค์กันนั่นสวรรค์หลอกสวรรค์ที่แท้จริงก็อยู่ที่นี่ตรงนี้เมื่อรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่ อ, อไรเป็นสวรรค์ที่นั่นเมื่อนั้นและถูกต้องแท้จริงสวรรค์ที่ถูกต้องและแท้จริงคือสวรรค์อย่างนี้ คือการยกมือไหว้ตัวเองได้ทีนี้สวรรค์ อ, อื่นๆสวรรค์อย่างอื่นท่ามีที่เขาพูดพูดกันมันจะมีอีกกี่สวรรค์มันก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์นี่มันต้องมีสวรรค์อย่างนี้แล้วมันจึงจะไปสวรรค์อย่างนั่นได้ก็ต้องมีการถูกต้องจนพอใจแล้ว่ะจึงจะตายแล้วไปสวรรค์กี่ชนิดกี่ชนิดที่มันจะมีถ้ามันจะมีมันก็ได้นะแต่ขอให้ได้สวรรค์ที่นี่กันเดี๋ยวนี้ซะก่อนเถิด แล้วถ้าเป็นนรกก็คือเมื่อเกลียดตัวเองเมื่อชังน้ำหน้าตัวเองใครก็ตามทำอะไรชนิดที่มันมองดูแล้วมันเกลียดตัวเองนับถือตัวเองไม่ได้เคารพตัวเองไม่ได้นั่นคือนรกนั่นนร ก, นร ก, กคื อ, อการรู้ความรู้สึกเกลียดชังตัวเองสวรรค์คือความรู้สึกพอใจตัวเองพอใจจนยกมือไหวตัวเองได้ก็เรียกว่าสวรรค์แท้จริง ท่าจริงเมื่อเกลียดน้ำหนาตัวเองคือนรกที่แท้จริงมันนรกที่แท้จริงมองดูตัวเองแล้วไม่มีทางที่จะอนับถือเอบูชาอย่างไรมีแต่เกลียดมีแต่ชังมีแต่อิจนาระอาใจนั่นคือนรกที่แท้จริงที่นั่นและเดี๋ยวนั้นนั่นเราจงทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องถูกต้องถูกต้อ ง, อ ง, อ ง, องทุกอิยาบททุกนาทีทุกเวลาทุกที่ ทุกผนทุกแห่งแล้วก็อยู่ด้วยความพอใจชนิดนี้ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ในจิตใจไม่ต้องทำท่ายกมือไหว้ก็ได้แต่ในจิตใจนะมันยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือสวรรค์ที่แท้จริงเป็นความสุขแท้จริงตลอดวันตลอดคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพุทธบริษัทที่มีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง เดี Regard ๋ยวนี้ม <É. S 1> ันไม่เป็นพุทธบริษัทกันหรอกมันเพียงแต่จดทะเบียนเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทแล้วมันก็ไม่รู้ธรรมะไม่รู้พุทธศาสนาไม่เป็นพุทธบริษัทจํานวนมากมายเหนี่ที่ศาสนาอื่นก็มาซื้อตัวไปได้ก็ซื้อไปได้ชแต่คนที่ยังไม่เป็นพุทธบริษัทถ้ามันเป็นพุทธบริษัทรู้ความเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่มีใครมาซื้อตัวไปได้ท่นเราไม่กลัว ที่ว่าใครจะมาแย่งพุทธบริษัทมันแย่งไปได้แต่คนที่ไม่ใช่พุทธบริษัทยังไม่เป็นพุทธบริษัทนั้นมันแย่งเอาไปได้ด้วยเงินด้วยประโยชน์นนตา่างๆใี่เราเป็นพุทธบริษัทแล้วมีความรู้ถูกต้องในความเป็นพุทธบริษัทแล้วจะพอใจธรรมะจะบูชาธรรมะจะเคารพธรรมะในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็บูชาธรรมะ งรนบูชาธรรมก็คือบูชาหน้าที่คือบูชาการงานที่จะต้องทํำอย่าให้บกพร่องได้ในเป็นเด็กเยวาวชนก็หน้าที่ของเยวาวชนเป็นคนหนุ่มสาวก็หน้าที่ที่ถูกต้องของคนหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรื่อนก็หน้าที่ที่ถูกต้องของพ่อบ้านแม่เรื่อนหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่ ขมีอย่างถูกต้องถูกต้องไปทั้งนั้นตลอดชีวิตเรียกว่ามีธรรมะกันตลอดชีวิตก็พอใจที่แท้จริงตลอดชีวิตมีความสุขที่แท้จริงตลอดชีวิตสรุปความข้อนี้ก็คือว่าให้ทุกคนรู้ว่าสวรรค์ที่แท้จริงคืออย่างนี้นรกที่แท้จริงคืออย่างนี้ ประยุกต์กันอีกคำหนึ่งอีก ค, กาความหมายหนึ่ Goddess, งก็ว่าถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าเป็นความสุขที่หลอกลวงแล้วก็จะต้องใช้เงินมากยิ่งหลอกลวงมากยิ่งใช้เงินมากยิ่งหลอกลวงมากที่สุดก็ยิ่งใช้เงินมากที่สุดจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นคนคอร์รัปชั่นคดโค้งไปเลย เนี่ จ, จำกันได้สั้นๆง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินถ้ามันพอใจเป็นสุขเสียแล้วเมื่อทางานทำงานเป็นสุขสนุกเสร็แล้วทั้งวันทั้งคืนจะใช้เงินอะไรหาความสุขมันมีอิ่มไปด้ยวยความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องใช้เงินเพื่อความสุขที่นี่คนโง่มันหิวกระหายอยู่ด้วยกิเลสราคะ โลภะนี่มันต้องเงินไปซื้อของเล่นของกินกามารมอะไรต่างๆมันต้องใช้เงินซื้อที่ได้มานั้นไม่ใช่ความสุขเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนี่เรกวไอ้ความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยทําให้เงินเหลือเพราะทํางานสนุกคนงานก็เกิดมากแล้วก็เหลือเพราะไม่ต้องใช้คนงานไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกมันมีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้ว นี่คนโง่มันไม่รู้จักความสุขชนิดนี้มันกระหายต่อเยื่ว้องกิเลสตัณหาเอเดตอร่อยสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เรียกกันว่าเรื่องรมสถานเริงรมนะต้องใช้เงินใช้เงินเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนเงินเดือนไม่พอใช้มันก็ต้องโกงในที่สุดก็ได้รับผลการโกงนี่เรียกว่าไอ้ความสุขที่หลอกลวงใช้เงินมากที่สุด นจนไม่พอใช้จนต้กลายเป็นคนคดรโกงข้าราชการที่คอรับจัางที่คโคตรโกงอ่ะคือเข้าใจผิดอย่างนี้ทั้งนั้นประชาชนก็เหมือนกันน่ะที่เงินไม่พอใช้ก็เพราะมันไปหลงในความเพลิเพลินที่หลอกลวงไม่เอาความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเมื่อกําลังทํางานเมื่อกําลังเงือไหลหนั่นคืออาบน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่ขอใเราเข้าใจ เป็นคำสรุปสันส้นๆว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินความสุขที่เราลวงใช้เงินจนเงินไม่พอใช้ทุกคนท่าอย่างนี้ไปดูเองก็แล้วกันยังหน้าหัวอยู่อีกข้อหนึ่งนะที่เขานิมนพระไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านที่เราเจริญพระพุทธมนต์เย็นตามบ้านมีอยู่บ่อยๆทุกบ้านพระไปสวด ในคําสวดของพระนั่นจะมีอยู่ประโยคหนึ่งนี่โดยเสมอว่าปฏิบัติอย่างนี้ได้รับพระนิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าเปล่าพี่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่านิพพานให้เปล่าท่านิพพานในพุทธศาสนาแล้วก็ให้เปล่าคือไม่ต้องเสียเงินม้แต่สต า, า, างเดียวก็ได้นิพพานเพราะวาพอใจยอยู่ในความปฏิบัติที่ถูกต้องจนหมดกิเลส ถ้าไปเอากามารมมาเป็นนิพพานเหมือนพวกอื่นก็มีเหมือนกันนะก็เอาการมารมเป็นนิพพานนะนะ ก, ก็ใช้เงินไม่พอเหมือนกันเงนก็ไม่พอใช้เหมือนกันถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมะในเพฤฤื่อพุทธศาสนาแล้วก็จะได้นิพพานนะ่ะคือประเสริฐที่สุดในความหมายความสุขอมาบริโภคเราเปล่ า, ลาไม่ต้องใช้เงินซื้อทุกคราวที่พระก็ไปจเจริญพพุทธมนต์เย็นทุกคราวก็จะบอกประโยคนี้ แต่คนฟูฟังฟังไม่ถูกถ้า <c oughs> ฟังถูกก็จะมาคิดว่าธรรมะจริงว่านิพานให้เปล่าก็ต้องเป็นความสุขความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเป็นความเย็นใจอาบรถอยู่ในใจิตใจให้จิตใจมันเย็นเป็นนิพานนี่เดี๋ยวก็ให้เปล่าไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องลงทุนทำบุญเป็นเงินเป็นทอง ก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็จะได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆบางครั้เป็นคําพูดที่ควรจะจำกันไว้สันส้นๆว่าความสุขแท้จริงจะต้องได้เปล่าความสุขที่หลอกลวงจะต้องเสี้ยเงินจนเงินไม่พอใช้เรียกว่าผลของการทําการงานอย่างถูกต้องอย่างสนุกสนาน เมื่อเมื่อเรารู้จักสิ่งที่เรว่าหน้าที่การงานหรือธรรมะแล้วระพื้นปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องสนุกสนานก็เกิดผลอย่างนี้คือได้ความสุขที่แท้จริงมาบริโภคอยู่โดยไม่ต้องใช้เงินอะไรอีกสร <eso> ุปความว่าเราต้องรู้ว่าการงานคืออะไรหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นคืออะไรธรรมะคืออะไรแล้วความพอใจคืออะไรความสุขคืออะไร ทบทวนอีกทีหนึ่งว่าการงานนะั่นคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จําเป็นสาหรับสิ่งที่มีชีวิตจําเป็นสำหรับมีชีวิตจะต้องทำนั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัตนะิเพื่อความรอดอยู่ได้ทั้งทางกายและทางใจกนะันได้ทำธรรม ะ, ป, ระ ป, ปฏิบัติธรรมแล้วก็พอใจเมื่อพอใจจริงก็เป็นสุขจริง เรื่องมีเท่านี้เป็นคําพูดเพียงไม่กี่คําว่าการงานแล้วก็หน้าที่อแล้วก็ธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็สุขที่แท้จริงการงานหน้าที่ธรรมะพอใจแล้วก็สุขที่แท้จริงทุกอย่างนี่เป็นความถูกต้องแท้จริงการงานก็แท้จริงหน้าที่ก็แทงจริง ธรรมะก็แท้จริงพอใจก็แท้จริงสุขก็แท้จริงเรื่องมันก็จบแหละสำหรับอคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าการงานคืออะไรจะทำการงานให้สนุกและเป็นสุขในการงานได้อย่างไรก็คืออย่างที่ว่ามานี้อย่างที่ว่ามานี้ขอให้จดจำไปดีว่า การงานเนี่ยคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทําทำพอทําแล้วก็พอใจว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจให้เรารู้สึกอย่างนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนในในการเคลื่อนไวหวของเราทุกๆุกปียาบทพอพอใจแล้วก็มีความสุข พอใจเป็นเมือ่อเมื่อความพอใจบริสุทธิ์ความสุขกับริสุทธิ์เมื่อความพอใจถูกต้องความสุขก็ถูกต้องอเรื่อง ก, จก็จบขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนที่เป็นผู้ฟังเนี่และสนใจในธรรมานี่ยจงรู้จักคํำว่าการงานะคืออย่างนี้ทําให้สนุกได้อย่างนี้แล้วเป็นสุขในการกระทําได้อย่างนี้ แล้มีความพอใจได้อย่างนี้แล้วก็มีความสุขที่แท้จริงได้เกิดจากความพอใจนั้นๆการบรรยายนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการงานหรือหน้าที่หรือธรรมะหรือความพอใจหรือความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วแล้วมารู้มาก ยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมาแล้วก็ปฏิบัติให้มากก็ยิ่งขึ้นไปกว่าที่ลลาาแล้วแล้วมาแล้ความสุขแท้จริงอันเป็นจุดหมายปลายทางก็จะไม่ไปไหนเสียจะต้องเกิดแก่บุคคลผู้ทำหน้าที่การงานอยู่อย่างถูกต้องและพอใจดังที่กล่าวแล้วพอใจนี้เขาเรียกว่าธรรมปีติธรรมปีติ ธรรมปีติแปลว่าปีติในธรรมคือพอใจอิ่มใจเกิดจากธรรมเกิดเพราะธรรมจงเป็นผู้มีจิตใจเต็มไปด้วยธรรมปีตินี้พระสุขสวัสดีแก้มใสสดชื่นอยู่ทุกทิพาราติการเทินเพอยุติการบรรยาย